เริญพรท่านผู้มีจิตเมิตาคารณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีล มาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อมารับรางวัลของพระพุทธศาสนาที่เปรียบเหมือนกับรางวัลที่หนึ่งแต่ดีกว่ารางวัลที่หนึ่งก็คือรางวัลของพระพุทธศาสนานี้เป็นรางวัลที่มีเงินทองกี่ร้อยกี่ล้าน พันล้านก็สู้รางวัลของพระพุทธศาสนาไม่ได้รางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือมรรคผลนิพพานคือการได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อให้พวกเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรอยครั้งพันครั้งก็สู้ถูกลอตเตอรี่ของพระพุทธศาสนาไม่ได้ ว่าการถูกรัตเตอรี่ร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่สามารถดับความทุกข์ทาให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่กลับจะทำให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเวลาเราถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราได้เงินมาเราก็จะไปใช้ตามความอยากต่างๆ การทำอะไรตามความอยากนี้เป็นการสร้างภพชาติสร้างกองทุกข์ให้ใหญ่ขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราเทน้ำมันลงไปในกองไฟถ้าเราเทน้ำมันลงไปมากเท่าไหร่ไฟก็จะลุกใหญ่โตขึ้นไปเท่านั้นความอยากของพวกเรานี้แหละที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ว่าเป็นตัวที่ทำให้เรา ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆดังนั้นการถูกรัตตรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งแทนที่จะเป็นประโยชน์กับจิตใจกับเป็นโทษกับจิตใจเพราะจะทําให้จิตใจนี้จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่การที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ คือได้พบรางวัลที่หนึ่งของชีวิตของจิตใจที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะจะทำให้จิตใจของเราได้หลุดออกจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพลดพลากจากคนจากสิ่งของที่เรารับเหมือนกับที่เรากำลัง ต้องพบกันในชาตินี้เดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆคนที่แก่กว่าเราเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็จะไปก่อนเขาจะตายก่อนเวลาเขาตายเราก็ร้องห่มร้องไห้ไม่อยากให้เขาตายแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ถึงคิวของพ่อของแม่ต่อไปก็คิวของพี่ต่อไปก็คิวของเรากับ สามีภรรยาเรากับญาติสนิทมิตรสหายแล้วต่อไปก็เป็นคิวของลูกๆหลานๆถ้าใครมาเกิดแล้วต้องตายกันทุกคนเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายที่ไม่เที่ยงที่มีอันจะต้องเจริญแล้วก็จะต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาตราบใดถ้าเรายัง มีความอยากอยู่ยังส่งเสริมความอยากอยู่เราก็จะต้องกลับมาเกิดได้เรื่อยถ้าเราหยุดความอยากได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปดังนั้นการมาวัดนี้ถือว่าเป็นการมาขึ้นรางวัลเวลาเราถูกรางวัลที่หนึ่งเราต้องไปที่ สำนักงานสลากกินแบบเพื่อที่จะขึ้นเงินเดือนขึ้นรางวัลถ้าเราไม่ไปลอตเตอรี่ที่เราถูกนี่ก็เป็นเหมือนกระดาษเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่เอาไปขึ้นรางวัลมันก็เป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเท่านั้นฉันใดพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราไม่เข้าวัด เพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ<ๆ>ก็เหมือนกับการถกลตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ไปขึ้นรางวัล เ, เก็บตัวลอตเตอรี่ไว้ที่บ้านก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราไม่สนใจที่จะศึกษา ถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะขึ้นรางวัล mm hmm. เพราะการขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนานี้อยู่ที่การประพฤติการปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจของพวกเราถ้าเราประพฤติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติให้ประพฤติได้เราก็จะได้รับรางวัล เราจะรับรางวัลตั้งแต่รางวัลขั้นต่ำขึ้นไปก่อนรางวัลขั้นต่ำคือขั้นพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าพระโสดาบันถ้าได้ขั้นที่หนึ่งนี้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้เคยจะทำบาปทากรรมมามากน้อยเพียงไรถ้าเรากลับมาเกิดเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบาย เราภบชาติของเราจะเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าเราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งแล้วถ้าเราได้ขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามีเราก็จะเหลือเพียงชาติเดียวจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวเราก็จะเข้าสู่พระนิพพานไปได้ไม่ต้องกลับมา เกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปและการมาเกิดก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่เป็นเป็นเปร์ไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องตกนรกแล้วถ้าเราได้รางวัลขั้นที่สามเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่เรายังจ้องไปเกิดเป็นครงมไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรม ก่อนที่จะเข้าสู่พระนิพพานก่อนที่จะได้รางวัลที่หนึ่งขั้นที่สี่คือได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ถ้าได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ออกจากภพตใตภพตใตภพคือภพที่พวกเราเวียนว่ายตายเกิดกันมีอยู่สามภพเรียกว่าตรพภพภพที่หนึ่งเรียกว่าการมาพบคือภพของผู้ที่ยังเสพกลาง การก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะถ้าเราแยมเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอยู่เราก็จะต้องมาเกิดในการมาพบกามาพบนี้ก็แบ่งไว้เป็นสองส่วนคือพบที่ดีกับพบที่ไม่ดีพบที่ดีก็คือพบของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพบที่ไม่ดีก็คือพบของเดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรก ผู้ที่ต้องไปเกิดในภพที่ไม่ดีก็คือผู้ที่ทำบาปคือไม่สามารถรักษาศีลห้าได้คือไม่สามารถละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่สามารถละเว้นจากการลักทรัพย์ไม่สามารถละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีไม่สามารถละเว้นจากการ พูดปดวัเทศโกโหกหลอกรวมและไม่สามารถหยุดการดื่มสุรายาเมาถ้าเราไม่สามารถรักษาศีลห้าข้อนี้ได้เราไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดปรเวณีไปพูดปดโกหกหลอกลวงไปดื่มสุรายาเมาเราก็จะต้องไปเกิดในอาบายนี่คือการมาพบที่ไม่ดี การมาพบที่ดีก็คือได้มาเป็นมนุษย์หรือได้มาเป็นเทวดานี่เรียกว่าการมาพบพบของผู้ที่ยังเสพกลามอยู่ยังต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่ส่วนพบที่สองคือรูปพบรูปพบก็คือพบของผู้ที่ได้ละเว้นการเสพกามได้เสพความสงบแทน คือพวกที่นั่งสมาธิได้ฌานระดับรูปฌปานสี่ขั้นผู้ที่ได้นั่งสมาธิแล้วทำใจให้สงบจนจิตนี้ได้รูปฌปานขึ้นมาใจก็จะกลายเป็นพรหมขึ้นมาก็จะไปอยู่ในรูปภปพแล้วผู้ที่ได้ฌานที่สูงกว่ารูปภปพคืออรูปฌปาน ก็จะได้ไปเป็นพรหมอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปภพนี่คือภพสามภพที่มีการเจริญและมีการเสื่อมเราได้เป็นมนุษย์เดี๋ยวเราก็เสื่อมตายไปเราได้เทวดาเราก็จะเสื่อมแล้วเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราได้พรหมก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องเสริมแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าสู่ระดับของพระอริยเจ้าได้ถ้าเราเข้าสู่พระโสดาบันได้เราก็เหลือเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าสกิรดาคามีก็เหลือเพียงชาติเดียว แล้วพระอนาคามีก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นพรหมถ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไปอยู่ที่พระนิพพานพระนิพพานนี่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่มีความสุขเต็มร้อยเพราะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นอื่นๆที่จะต้องเสื่อม ไปได้ชั้นโคมก็ต้องเสื่อมลงมาสู่ชั้นเทพจากชั้นเทพก็ลงมาสู่ชั้นมนุษย์แล้วก็กลับมาทำบุญทำบาปใหม่ถ้าทำบาปก็ต้องลงไปใช้กรรมในอบายพอหมดกรรมในอบายก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือภพชาติของพวกเราที่พวกเราทำกันอยู่เพราะว่าเราไม่รู้ว่า เ ร, well, เราตายไปแล้วเราต้องไปเกิดต่อ é> <Celebr ate> นั่นเองแต่พรนี <reci fr ant> ้เราโชคดีเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสรู้เห็นจิตใจของพวกเราที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายที่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจของพวกเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้แหละ เป็นผู้ที่จะไปเกิดในภพต่างๆไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมหรือไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าหรือไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานขึ้นอยู่กับการกระทาของพวกเราการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจนี้เป็นตัวที่จะทำให้เราไปสูงไปต่ำ หรือไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าเราทําบาปเราก็จะไปอบายถ้าเราทําบุญเราก็จะไปสวรรค์ถ้าเราปฏิบัติธรรมได้มีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญาเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราเองถ้าเราตัดความอยากได้หยุดความอยากได้ เราก็ไม่ต้องกลับเราเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปความอยากที่เราต้องตัดคืออะไรความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสเช่นอยากไปดูหนังฟังเพลงอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอยากจะไปหาความสุขทางร่างกายเช่นไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้เรียกว่ายังมีความอยากที่จะเสกกรรมเราต้องตัด การความอยากที่จะเสพการนี้ได้โดยประพฤต์เหมือนกับผู้ที่บวชนพระภิกษุหรือแม่ชีหรือผู้ที่มาถือศีลแปดในวัดนุ่งขาวห่มขาวนี้เป็นพวกที่หยุดความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกป้ไกายการที่จะหยุดได้ก็ต้องถือศีลแปดกันถือศีลแปดแล้วเราก็จะได้ ละเว้นการเสพกามได้แล้วนอกจากนั้นเราก็ยังต้องมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะถ้าใจเราไม่สงบเราจะไม่เห็นโทษของความอยากถ้าเรานั่งสมาธิแล้วสงบเราจะมีความสุขเวลาที่เราใจสงบแต่เวลาที่เราออกจากสมาธิมา พอเกิดความอยากขึ้นมาใจของเราจะร้อนขึ้นมาทันทีจะกังวลกว า, ายกระสับกระสายจะวิตกกังวลเพราะอยากจะได้สิ่งต่างๆพอคิดว่าไม่ได้ก็จะเสีย อ, อกเสียใจนี่คือโทษของความอยากเราต้องเห็นด้วยปัญญาของเราเองปัญญาของเราจะเห็นได้ต้องเห็นในขณะที่ จิตมีความสงบเพราะเวลาจิตสงบนี่เป็นเหมือนน้ำที่นิ่งนิ่งน้ำในสระพอเวลามีตัวปลากระโดดขึ้นมาน้ำก็จะกระเพื่อมขึ้นมาจะเห็นเป็นลูกคลื่นขึ้นมาน้าก็จะไม่สงบใจของเราเวลาไม่มีความอยากนี่มันจะนิ่งมันจะสบายพอเกิดความอยากขึ้นมานี่มันจะ ไม่สบายใจขึ้นมาทันทีแต่เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ทำใจของเราให้นิ่งก่อนตอนนี้ใจของพวกเราไม่เคยนิ่งเลยใจของพวกเราก็เพิ่มอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่เคยหยุดความอยากของเราเลยปล่อยให้ความอยากออกมาแสดงแล้วเราก็ตอบสนองความอยากด้วยการกระทำตามความอยากการกระทำตามความอยากนี้ เป็นการเพิ่มความอยากเป็นการขยายความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นใจของเราเลยไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงเลยความสุขที่แท้จริงของพวกเรานี่อยู่ที่ความสงบของใจและจะสงบได้เราต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้เราต้องหยุดความคิดจะหยุดความคิดได้เราต้องใช้พุทโธพุทโธ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆถ้าเราคิดอยู่แต่พุโทโธพุธโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้พอเราไม่ได้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะไม่มีความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสใจของเราก็จะมีความสุขโดยที่อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนี่แหละความสุขที่แท้จริง ความสุขที่เราไม่ต้องวิ่งวิ่งหาไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับคนนั้นคนนี้ความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วรอให้เราหยุดหาสิ่งต่างๆเท่านั้นเองหยุดอยากต่างๆถ้าเราหยุดหาสิ่งต่างๆใจของเราจะสงบสงบแล้วเราจะพบกับความสุขที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอด ไม่เหมือนกับความสุขที่เราไปวิ่งหากันวิ่งหามาได้เดี๋ยวก็หมดแล้วไปหากาแฟมาดื่มดื่มปั๊บเดี๋ยวก็หมดแล้วไปหาเงินมาใช้เดี๋ยวใช้เงินปั๊บเงินก็หมดแล้วพองเงินหมดกาแฟหมดแล้วยังสุขต่อไปได้หรือเปล่าสุขไม่ได้แล้วต้องไปหาเงินใหม่แล้วต้องไปหากาแฟใหม่แล้วก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆหาไปจนวันตาย ก็ยังต้องหาต่อไปเพราะความอยากมันไม่หมดพอร่างกายตายไปใจที่ยังหาความสุขทางตาหูจมูกวินกาณอยู่ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่พอไปเกิดใหม่ก็เลยต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่นี่คือโทษของความอยากที่พวกเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาการจะใช้ปัญญาพิจารณาได้ต้องมีใจที่สงบ ใจจะสงบต้องมีพุทโธพุทโธดังั้นถ้าเราอยากจะได้ขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาเราต้องหัดเจริญพุทโธกันเราเจริญพุทโธได้ตลอดเวลาทุกแห่งทุกคนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี่เราก็พุทโธไปเลยพุทโธพุทโธไปภายในใจจะไปทำอะไรก็พุทโธไปอาบน้ำก็พุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไป รับประทานอาหารกับพุโทโธไปจะหยุดพุโทโธก็ตอนที่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานเช่นต้องทำบัญชีบวกลบคูณหารก็ให้มีสติอยู่กับการทำบัญชีไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันเพราะมันจะทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอเราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็กลับมาที่พุโทโธไปพุโทโธไปจนกว่าเราจะหยุดคิด ถ้าเราหยุดคิดเราก็ไม่ต้องพูดโถ่ใจหยุดคิดแล้วเราก็จะสบายเหมือนรถที่หยุดแล้วคนขับก็สบายคนขับอยากจะนอนก็นอนได้แต่ถ้ารถยังวิ่งอยู่นี้นอนไม่ได้ต้องคอยควบคุมรถยนต์ถ้าไม่คุมไว้เดี๋ยวรถยนต์ก็ไปเกิดอุบัติเหตุฉันใดใจของพวกเราก็เหมือนรถยนต์ที่พวกเราต้องหยุดมันให้ได้เพราะถ้าเราหยุดมันได้แล้วเราก็สบาย ไม่ต้องมาคอยควบคุมถ้าไม่หยุดเดี๋ยวมันก็จะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็ต้องพาเราไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนี่คือวิธีการมาขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนามาขึ้นด้วยการมารักษาศีลกันมาขึ้นด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธกันเพื่อหยุดความคิดต่างๆ เพื่อทำให้ใจสงบมีความสุขพอมีความสุขแล้วก็ใช้ปัญญาเปรียบเทียบระหว่างใจที่สงบกับใจที่ไม่สงบอย่างไหนดีกว่ากันเราก็จะเห็นว่าใจที่สงบดีกว่าใจที่มีความอยากเราก็เลยหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะมีความสุขไปตลอด นี่คือรางวัลของพ่อพุทธศาสนาที่พวกเราถูกกันแล้วแต่ยังไม่มาขึ้นรางวัลกันถ้าถ้ายังไม่ขึ้นขอให้รีบมากันเพราะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาพอเราตายไปก็หมดสิทธิ์ไม่สามารถกลับมาขึ้นใหม่ได้ชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็อาจจะไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาอีกแล้วก็ได้เพราะพ่อพุทธศาสนานี้ จะอยู่ไปประมาณ 5,000 ปีหลังจากนั้นแล้วถ้าเราเกิดมาเกิดหลังจาก 5,000 ปีก็จะไม่มีพวกพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่ได้ถูกรังวัลที่หนึ่งดังนั้นตอนนี้เราถูกแล้วอย่าอยู่เฉยๆรีบเดินทางไปขึ้นรางวัลกันรีบไปวัดกันไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมไปฟังเทศฟังธรรมกัน แล้วรับรองได้ว่าเราจะได้รางวัลที่ดีกว่ารางวัลทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะรางวัลต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากการเวรว่าตายเกิดได้มีแต่รางวัลของพระพุทธศาสนาอานนี้เพียงรางวัลเดียวจึงขอให้ท่านทั้งหลายรีบไปขึ้นรางวันกัน การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนกรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเองเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข็งแกรปลอดภยัยจากพุกภัยอันตรายทั้งปวง โดยทั่วหน้าการเท่าน